เสียงอ่านหนังสือเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวฉบับอยู่สบายไปสบายภาคอยู่สบายบทความเพื่อการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขโดยดังตรินเสียงอ่านโดยชมรมผลดีสําหรับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องที่เหมาะสําหรับคนทั่วไปทุกเพศวัยและคนรุ่นใหม่เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะเป็นการแนะนําการใช้ชีวิตพิจารณาหลักกรรมแนะแนวทางการปฏิบัติการทําใจการแก้ไข ซึ่งจําเป็นมากต่อคาวรวาสที่ต้องเผชิญปัญหาในชีวิตประจําวันที่หลากหลายส่วนใหญ่เป็นคําถามตอบปัญหาที่อยากให้ฟังให้ครบนะครับแม้หัวเรื่องจะเป็นเรื่องที่เหมือนไม่เกี่ยวกับเรายังไกลตัวหรือไม่สนใจก็ตามแต่ภายในจะมีการอธิบายหลักกรรมซึ่งสามารถนําไปปรับใช้กับเรื่องอื่นได้รวมถึงยังได้ข้อคิดไว้สอนใจแนะนําคนรอบข้างที่อาจเผลอหรือกําลังทําผิดพลาดอยู่ให้วกกลับมาสู่เส้นทางแห่งทุกข์ได้โดยง่าย สำหรับรายชื่อเจ้าภาพร่วมในการจัดทำเสียงอ่านเพื่อเป็นธรรมทานในชุดนี้จะบันทึกเสียงไว้ตอนต้นในแต่และเรื่องในแต่และหัวข้อนะครับและที่เหลือจะอยู่ท้ายบทสุดท้ายและสรุปรวมในทุกช่องทางที่เผยแพร่โดยชมรมผลดีขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาในมหาธรรมทานนี้ร่วมกันขออนุโมทนากับทุกท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เห็นความสำคัญในการสนับสนุนให้ชมรมทำงานต่อไปได้ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงผู้ให้ปัญญาย่อมได้ปัญญาและปัญญาเป็นสิ่งสำคัญในความเจริญทุกด้านจนถึงการพ้นทุกสนใจเป็นเจ้าภาพร่วมในการผลิตสื่อธรรมชุดต่อๆไปโปรดติดตามได้ที่ Facebook โจโฉเสียงธรรมหรือติดต่อสอบถามติดตามดาวโหลดดูได้ที่เว็บไซต์หลักคือโจโฉ .net นะครับชีวิตจะดีได้ต้องเกิดจากการศึกษาจนเกิดปัญญาที่ถูกต้อง ไม่ใช่การอ้อนวอนร้องขอจากสิ่งที่มองไม่เห็นเชิญร่วมกันศึกษาความจริงของธรรมชาติเพื่อความสุขที่เห็นทันตาในชาตินี้เพื่อบรรเทาทุกกายทุกใจที่กำลังประสบเพราะตราบใดยังมีลมหายใจคุณสามารถแก้ไขให้ทุกอย่างดีขึ้นได้จริงขอเพียงอดทนรอคอยให้ถึงเวลาที่เหมาะสมตายอย่างทุกขจะเป็นสุขได้อย่างไรต้องบรรเทาทุกให้ได้ก่อนเมื่อจิตเป็นสุขย่อมมีสุขคติ เป็นเบื้องหน้าบุญที่มีอา น, นิสงส์มากมีผลมากอาจไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องเดินทางและสะดวกกับคนในยุคปัจจุบันมากนั่นก็คือการฟังธรรมนะครับเชิญเลือกฟังตามอธัธยาศัยและมันกลับมาฟังซ้าบ้างถ้ามีเวลาแล้วคุณจะพบว่าสิ่งที่เคยคิดว่าเข้าใจกลับเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นไปอีกและการรู้จากการฟังธรรมะนั้นก็ให้เกิดความเจริญขึ้นได้จริงในชาติปัจจุบัน อริยคุณพุทธธรรมโจโชเสียงธรรมชมรมผลดีพฤศภากคมพุทธศักราชสองร